เรื่องเรารู้กับรู้เราเนี่ยมันเปนมันยากจริงนะตอนตอนที่ยังเข้าใจไม่ได้มันยากมากตัวหลวงพ่อเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าครูบาอาจารย์จี้แล้วจี้เอกว่ายังเป็นเรารู้อยู่แต่เข้าใจไม่ได้พูดเท่าไหร่สั้นก็ว่าเราเป็นผู้รู้ทุกทีเด น, นี้ก็มันมันแล้วทํำยังไงให้รู้เราโอ๊ยแล้วก็หลวงพ่อก็มาเจอนี่แหละไอเ้เร่งรู้เราที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอันแหละก็เลยรู้จักขึ้นมาว่า ทิหลวงพ่าพูดซ้ำใหม่เรื่องเข้าห้องว่างหรือว่ากําลังดูทีวีก็ได้เอาสมมุติว่าอันนี้เี็ เ, เรื่องใหม่เนาะเอออย่างนี้เว่าทุกคนเนาะทุกคนก็เคยดูทีวีที่บ้านอยู่หรือว่าดูที่ไหนก็ตามยมลองดูนะว่าไอทีวีเนี่ยก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราใช่ไหมแล้วก็นั่งเราเนี่ยเป็นผู้นั่งบนโซฟาเราก็นั่งดูทีวีตรงเนี้ยมันมีทีวีกับตัวเราแล้วอ่าเข้าใจได้ทีนี้พอนั่งดูเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าถ้าถ้าเราถ้าไม่รู้เราเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามีแต่เรานั่งดูทีวีดูอยู่นั่นแหละแล้วหัวล็อกกิ๊กๆๆ๊กัทั้งคิดทั้งนึกทั้งสนุกทั้งเฮฮาสนุกสนานมากเลยแต่มันมันไปอินกับเรื่องราวในทีวีไงแต่ไม่รู้ตัวเองสักทีนว่าตัวเองอนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีความคิดมีความนึกมีความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ไม่เห็นเราถ้าไม่เห็นเราก็เท่ากับไม่รู้เราทีนี้ ดูความแตกต่างนะว่าถ้าเราถ้าเราเป็นผู้ดูทีวีก็จะมีทีวีเป็นผู้ถูกดูแล้วมีเราเป็นผู้ดูแต่ถ้ารู้เราตัวเราจะเป็นสิ่งถู ก, ถ ก, ถกรู้แล้วก็มีธรรมชาติที่มารู้เราอีกทีหนึ่งว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นผู้ผู้ผู้ดูทีวี แล้วระหว่างดูทีวีก็ในตัวเรานี่เนาะมีความรู้สึกเฮฮาสนุกสนานเมามันมากเลยเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นความแตกต่างระหว่างเราเราเราเ ร, ารู้หรือว่ารู้เราง่ายๆนะถ้าลองมองภาพตรงนี้ออกแล้วจะจะจะทำให้เข้าใจได้แล้วก็ที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างไงว่าเอายืนดูนาฬิกาที่ที่มันแขวนอยู่บนผนังลูกตุ้มมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา ครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมล่ะมันมีแต่ลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาแต่ไม่มีผู้ไม่มีผู้เห็นเห็นอยู่แต่ไม่มีผู้เห็นหลวงพ่อก็งงดีไม่มีผู้เห็นได้ไงก่อนเมื่อเราเป็นคนยืนเห็นอยู่เนี่ยแต่เมื่อได้พิจรารณาดูดีๆปรากฏว่าเอา้าอนาฬิกามันก็เป็นสิ่งถูกดูตัวเราเป็นผู้ดูแล้วอยู่อยู่มันเกิดเห็นตัวเราขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดู ก็เลยรู้จักไอธรรมชาติที่มันมันดูเราอยู่ว่าไอธรรมชาติที่ดูเรามันไม่มีตัวแต่ตัวเราเป็นสิ่งไอตัวเราที่ที่เป็นผู้ยืนดูมันกลายเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วถูกดูโดยธรรมชาติที่ไม่มีตัวที่หลวงพ่ออธิบายแล้วมันก็มองเห็นว่าสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นคือถ้าเราอธิบายออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ แต่เพื่อที่จะให้ให้คนอื่นได้รับรู้แต่ในความเป็นจริงอะ่ะในชีวิตที่เราที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะคะ่ะเราพอจะมองเห็นแต่ว่าอาจบางทีอาจจะยังแยกแยกออกได้ไม่ชัดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นเรารู้หรือรู้เราแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพภาพได้มากขึ้นนะคะโอเคยอมยมเชิม่มชัดชัดขึ้นลวล ะ, ะเรื่องเข้าใจละทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งเนาะ ยืนหน้ากระจกอะกระจกบานใหญ่ๆเนาะเออลองลองลองลองวินาดูนะเวลาตัวเราเนี่ยไปยืนหน้ากระจกเนาะแล้วมันก็จะเห็นในกระจกเนี่ยก็จะเห็นเห็นตัวเราอยู่ในกระจกนะแต่ทีนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าเวลาเราไปยืนหน้ากระจกเนี่ยมันมีมีกระจกใช่ไหมแล้วก็มีตัวเราที่อยู่นอกกระจก ก็พอดูไปดูมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจกและขณะเดียวกันเนี่ยมันเห็นไอ้ตัวเองเนี่ยที่เป็นมีเนื้อมีหนังเนี่ยอยู่นอกอยู่หน้ากระจกไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เข้าใจได้ว่ามีมีธรรมชาติที่มารู้เราที่อยู่หน้ากระจกมีธรรมชาติอันหนึ่งรู้แจ้งเลยว่าเราเนี่ยยืนอยู่หน้ากระจกเราเนี่ยเป็นผู้ดูกระจกอยู่เนี่ยแล้วตัวเราตัวเราเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งถูกถูกรู้ขึ้นมาทันทีแค่นี้ก็จะพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่าไอธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นความไม่ปรากฏตัวตนเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยนะแต่มันมีอยู่ไอตรงนี้มันมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทางลัดมากเลยที่จะปฏิบัติให้สู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเหตุว่าอะไรเหตุว่าตัวเราเนี่ยคือตัวทุกข์นะตัวเราเนี่ยที่เป็น รูปที่ประกอบด้วยขันห้าเนี่ยนั่นคือตัวทุกข์ที่เรียกว่าตัวทุกข์เพราะว่ามันมันมีความเสื่อมคือตัวเราตัวนี้มันเกิดมาแล้วมันจะต้องเสื่อมแก่เจ็บตายไปใช่ไหมเออมันมันมันเป็นตัวทุกข์ที่มันทนได้ยากมันจะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันก็พ้นไปจากตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวมันจึงไม่มีทุกข์ มันจึงไม่มีสุขมันไม่มีอะไรหมดเลยมันเป็นเหมือนกับความว่างอ่ะคล้ายๆเป็นความว่างว่างจากความมีตัวมีตนอ่ามันเพียงมีอยู่ว่ามีอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวเพราะนั้นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่พ้นทุกข์เป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็จะรู้คำมันแยกเป็นแล้วนี่ว่า อ, อ๋ออะไรคือตัวทุกข์อะไรคือตัวตัวไม่ทุกข์และก็เพียงแต่ว่าเพียง การปฏิบัติก็คือเนี่ยให้รู้ตัวเรามากๆรู้บ่อยๆรู้มากๆจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งรู้ทั้งรู้แจ้งอ่ะก็มันจะพ้นมาจากทุกโดยเด็ดขาดอ่ะมันกับว่ามันมันพ้นเลยอ่ะมันไม่เข้ามาเป็นทุกขไม่เข้ามายึดให้เป็นทุกอีกรู้แจ้งรู้แจ้งก็แค่เนี้ยจริงๆอ่ะมันก็การปฏิบัติก็คือเนี่ยให้รู้เรียกรวมบวงความก็คือให้รู้ตัวเราอ่ะรู้ตัวเราทั้งตัวรู้ตัวเราในภาพรวมก็ได้อืาก็พ้นทุกไปเลย แค่นี้แล้วตรงนี้ใจชี้จะเห็นว่าการพ้นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราพ้นทุกข์แต่มันพ้นทุกข์ได้เพราะมีธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่มันพ้นทุกข์ด้วยตัวมันเองอ่ะพ้นทุกข์ด้วยด้วยสภาพของมันเองไม่ใช่เราพ้นทุกข์นีนะตรงนี้ครับลองดูถ้าเข้าใจก็ไปไปเล่นเล่นไปเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งต่อตัวเองที่เขาเรียกว่ารู้ตัวแหละรู้ตัวก็พ้นทุกข์ ค อ, อพระอาจารย์คะอย่างสมมติว่าเราอาจจะเคยอยู่ในพอจะเห็นเขาโครงของการรู้เราแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีสัญญาเข้าไปจำไหมพระอาจารย์คือจำกับสภาวะตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับว่าตัวสัญญามันสร้างตัวเราบู๊ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ไปซ้อนว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่า อันนั้นรู้เราอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะพระเจ้ามันเป็นไปได้ไหมครับลองลองพี่นาดูนะว่าไอตัวสัญญาเนี่ยมันอยู่ซีกไหนมันอยู่ซีกในตัวเราหรือเปล่าหมายถึงว่าเพราะเรารู้จักตัวเราดูแล้วใช่ไหมโดยพื้นฐานเนี่ยว่าตัวเราคือตัวนี้แหละแล้วก็ไอสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเราหรือเปล่า mm. ถ้ามันเกิดขึ้นในตัวเรามันก็ไม่ใช่ธาตุรู้ เพราะว่าธาตุรู้เนี่ยมันเหมือนกับมันมันอยู่อีกอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันมันแบว่ามันรู้เราเลยอ่ะว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรกําลังพูดกําลังคิดหรือกำลังเดินกําลังนั่งอะไรแล้วแต่เนาะมันรู้มันรู้เราทั้งตัวแต่ดูเหมือนว่ามันมันไม่ต้องอาศัยสัญญาคือมันรู้แบบมันรู้ไปเลยที่ที่ฟังโยมมันคล้ายๆกับว่าไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยมันมาอยู่ในซิกตัวเรา เหมือนกับว่าไอตัวเราอาจจะสร้างสัญญ า, าขึ้นมาอะไรทั้อย่างแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้เราอะไรเนี่ย file, อันเนี้ยมันก็ยังอยู่ยังอยู่ฝ่ายยังอยู่ฝากตัวเราอยู่ใชห่หลายๆายคนหลายๆคนเนี่ยพอคุยเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมักจะเอาตัวเราเนี่ยดิ้นรนมากเลยดิ้นรนจะแสวงหาเพื่อที่จะให้พบไอตัวรู้ให้ได้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องตัวรู้ให้ได้เราบอกอันนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันกําลังเอาตัวเราที่จะไปรู้ไอตัวที่รู้ตัวเรา เพราะนั้นให้กลับมาเริ่มใหม่ก็คือเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นเสียก็ให้มาหลวงพ่อพ ก, ก็บอกว่าถ้าสิ่งไหนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยก็ให้ทําซ้าๆเช่นเข้าห้องเข้าเข้ามาในห้องเนี่พอเข้ามาในห้องเห็นไหมมันไม่ต้องใช้หัวคิดเลยมันรู้เราเลยว่าอ่ะเราอยู่ในนี้แล้วแล้วก็พอเดินออกจากห้องมันก็รู้ตัวเราว่าเราออกจากห้องแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าการรู้ตัวเราเนี่ยคือต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็ทาซ้าๆทาซ้ำำซพอได้ตรงนี้เริ่มชำนาญแล้วต้องขยายไปไปทดลองกับอย่างอื่นบ้างเช่นการฟังการอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันให้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปอ่ะหรือว่าไปนั่งอย่างเราไปอยู่ในที่ชุมชนของพรอบางทีนึกถึงอย่างนี้เนาะอย่างช่วงนี้เขามีการมีม็อบเนาะมีม็อบคนสัวนเยอะๆเนี่ยลองเข้าไปอยู่ในดงม็อบดูดิมันก็รู้ตัวเราไม่ยากเลยเพราะ พราะตัวเราก็คือเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่รวมอยู่กับหลายๆสิ่งอ่ะแล้วมันจะรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีแล้วว่าไอ้ตัวเราก็คือเนี่ยคนเนี่ยคนที่ไปอยู่ในกลางม็อบอ่ะเออแล้วมันก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็อันนี้ไม่ใช่เราแล้วตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันมันเหนือมันเหนือตัวเราขึ้นไป เนี่ยไปทดลองอย่างเนี้ยอย่าอย่าใช้หัวคิดนะถ้าใช้หัวคิดนี่มันกลายเป็นเราคิดหมดเลยเราคิดเราค้นซึ่งมืดหมดเลยตรงเนี้ยมองไม่เห็นแต่ต้องไปลงในสนามจริงแล้วก็มองไปที่คนอื่นก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่ชนานาญเนาะมองไปที่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก่อนเดี๋ยวก็นึกได้ขึ้นมาว่าอ่าไอ้ตัวเรามันอยู่ด้านนี้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันอยู่ด้านโน้ตตัวเราอยู่ด้านนี้เห็นไหมมันจะกลับมาทางที่มารู้ที่ตัวเราและจะเข้าใจเองว่า อ๋อไอรู้ตัวเราเนี่ยมันคือแบบนี้เออจะเข้าใจลองไปทำนะที่หลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างอันเนี้ยกลับหลบพระพูณนะใจค่ะมีเอาเอายกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวบ้างนะสิ่งที่อยู่ที่ตัวนี่แหละนี่ก็หลวงพ่อก็เลยทดลองมาเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเอาสมมติว่าเรามีเท้าสอง ม, มีขาขวาขาซ้ า, ายเนาะเออมีสองข้าง ลองรู้ไปดูสิว่ารู้คือรู้ว่าอ๋อขาขวาแล้วก็รู้ขาซ้ายเห็นไหมมันมีสองขาเนาะขาซ้ายกับขวาแล้วก็ระหว่างขาเนี่ยมันก็มีช่องว่างนะมีช่องว่างตรงเนี้ยมันมีผู้รู้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยมีผู้รู้รู้ว่ามีขาสองข้างอืแต่ตอนเนี้ยมันยังมีผู้รู้อยู่ผู้รู้เนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นเรารู้เรารู้ว่าขามีสองข้าง ทีนี้ถ้ารู้เราเนี่ยเ อ, อรู้เราเนี่ยก็หมายความว่าให้กลับมารู้ผู้รู้เนี่ย น, นึกภาพบ อ, อกไหม อ, อ๋อทวนใหม่นะมีขาวขวามีขาซ้ายอันเนี้ยขาสองขาเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ลึกๆเนี่ยยอมดูนะมันจะมีเราเป็นผู้รู้อยู่เ อ, อมีเราเป็นผู้รู้แต่ถ้าหลุดพ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องรู้เราทีเนี้ ตรงนี้มันจะแนะนำยังไงอ่ะเพราะว่า <Lion el. S 1> ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันก็รู้เราไม่ได้อ่าทีนี้มันก็ต้องต้องอ่านใจให้ออกว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เรื่องขาอยู่อ่ะทีนี้เมื่อรู้ว่ามีเราเป็นผู้รู้เนี่ยก็ให้มารู้เราอีกทีหนึ่งเออตรงนี้มันอาจจะถ้าไม่ช า, านาญเนี่ยมันก็ยากนะอะเนาะเพราะมัน มันเอาตัวเราไปคิดไปค้นไปทำสารพัดอะแต่ถ้ารู้เป็นแล้วมันมันนิดเดียวเลยพอรู้ตัวเราว่าเราเป็นผู้รู้แค่นี้มันก็หลุดพ้นจากผู้รู้ไปเลยพ้นจากผู้รู้ไปเลยก็คือพ้นไปเลยพ้นไปโลกลตาล่าไปเลยเพราะว่าผู้รู้ที่เป็นเราเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้สิ่งที่อยู่ในตัวมันมันมันยากหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่นอกตัวที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมันไม่ค่อยยาก เอาเปรียบเทียบกับความความความความที่มันไม่ยากเกินไปนะหลวงพ่อ เ, เคยคุยกับแม่ชีอยู่อยู่คนหนึ่งตอนแรกแกก็ไม่เข้าใจแกก็บอกว่าแกเห็นหน้าคนนี้แล้วแกแ ก, กไม่ชอบเลยอะ่ะแกไม่ชอบเราบอกว่าเออเอางี้ลองดูที่ตัวอย่างว่าเวลาแม่ชีไปเห็นคนคนคนั้นน่ะเออคนที่เดินผ่านมาใกล้อะ่ะเห็นไหมมันจะแยกได้เป็น แยกได้เป็นก็คืออะไรคนคนั้นก็เป็นสิ่งถูกถูกเราเห็นใช่ไหมเออทีนี้พอคนนั้นเป็นถูกเราเห็นแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเราได้ไหมล่ะที่เป็นผู้เห็นเขาอะตอนแรกแกก็งงมากแกเห็นตัวเองไม่ได้เลยแต่แกเห็นคนอื่นอะง่ายมากเลยพอเห็นคนอื่นปั๊บรู้เลยว่าไอคนนั้นมาอีกแล้วทําให้เราไม่พอใจทําให้เราโกรธทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวก็รู้ตัวเราสิตัวเราผู้เห็นเขาอ่ะ ตัวเราพูดโกรธเขาว่าคนไหนอ่ะตัวเราอ่ะพอหลวงพ่อพูดซ้ําๆบ่อยๆแกก็เริ่มเห็นว่าอ๋อไอตัวเราก็คือไอคนที่ยืนดูเขาอ่ะพอแกพูดแค่นี้ปั๊บเหมือนกับว่ามันเกิดความสว่างใจเนาะคือรู้ชัดขึ้นว่าอ๋อรู้ตัวเราคือรู้แบบนี้แล้วก็แกก็เริ่มเข้าใจพอมาวันหลังแกลืมอีกแล้วรู้ตัวไม่เป็นอีกแล้วหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเก่ากันแหละบอกว่าเอ้าเห็นไหมละ่ะคนนั้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็น ใครเห็นน่ะก็บอกหนูเห็นเราก็บอกเออรู้ตัวหนูไปและแกก็เริ่มเออง่ายขึ้นชํานาญขึ้นแล้วพอมาตอนหลังแกก็ฝึกบ่อยๆเนาะจนกระทั่งรู้สึกว่าแกมันชํานาญแล้วรุนในการรู้ตัวเองเนี่ยพอชํานาญเสร็จหลวงพ่อก็ขยายบอกว่าเออลองใช้อุบายอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะรู้ตัวเองแกก็เริ่มทําเป็นเรื่อยๆรืยๆสุดท้ายตอนเนี้ยแกก็ง่ายขึ้นไปเยอะแล้วเพราะนั้นมันยากตอนแรกแค่นั้นเองอะ่ะ ทีนี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบเนี้ยโยมพอเห็นแล้วยังว่าไอ้คาว่าตัวเองตัวเองคือตัวไหนตัวเองก็คือตัวไปรู้คนอื่นตัวเองคือคนไหนตัวเองที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังฟังหรือกําลังเห็นหรือกําลังโศกเศร้าเสียใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในตัวเองหมดก็กลับมารู้ตัวเองที่ว่ารู้เราถ้ารู้เราในขณะปัจจุบันใดนั่นนะข่าวนั้นแหละก็คือพ้นทุกข์ แต่มาัควาว่าต้องรู้ด้วยปัญญาจริงๆนะไ ม, ไ, มไม่ไม่สงสัยอะไรนะเออมันจะพ้นทุกได้พ้นทุกจริงๆพ้นทุกแบบโหไม่มีทุกให้เป็นเลยอะ่ะถ้ารู้ตัวเราถูกต้องนะหรืออ้าวหลวงพ่อพูดแล้วคนอื่นที่ทฟังในในห้องนอนถ้าคนคนไหนพอเข้าใจก็ลองลองพูดเออเพื่อส่งต่อให้เหมันกัพูดให้คนอื่นฟังจะได้เข้าใจเป็นทอดเป็นทอดเนี่ยเออระดั บ, บตัวไม่เทีนะคะมัน มันไม่ได้ตั้งค่ากับอะไรเลยมันแค่รู้ว่าเออเรายังมีลมหายใจอยู่ตอนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่อะไรเราก็ทำไปตามเหตุปัจจัยที่เราใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราอยู่เราก็รู้ตัวเราอนี่ยนั่นแหละคะคือเราต้องมารู้ตัวค่ะทำอะไรคือถ้าเราไม่รู้ตัวเราเราก็จะไปรู้สิ่งภายนอก พอไปรู้สิ่งภายนอกเนี่ยคือมันไม่ใช่รู้ตัวเราแล้วตรงนี้นะค่ะก็จะนําความนำความทุกข์มาสู่ใจเรานะคะแต่ถ้าเราฝึกแบบนี้ค่ะฝึกกลับมารู้อยู่ที่ตัวเองแต่เราก็ไม่ต้องไปหาค่าอะไรอ่ะคะ่ะแค่เรารู้กับมันสิ่งที่มันรู้เพราะว่ามันรู้โดยธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ เราก็ต้องฝึกนะคะเราก็ต้องฝึกกับมันมาก่อนการที่จะมาถึงจุดนี้ได้แม่ชีก็ต้องผ่านการฝึกมาก่อนเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเราก็โดนปลูกฝังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางโลกก็สอนไปอีกแบบนะึ่งเนาะให้ไปรู้สิ่งภายนอกให้ไปรู้กับบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะแล้วก็ยึดสิ่งพวกนั้นมารกรุงรังเลยทั้งหมดแตสุดท้ายเมื่อเราเข้ามา ปฏิบัติทางมอเราต้องละสิ่งที่เขาเคยให้เราอะ่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทางโลกให้เรากับสิ่งที่พ่อแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยให้ให้เรามาอย่างเงี้ยเรากั็ต้องละสิ่งพวกนั้นอะ่ะแยกออกไปจากจิตใจของเราค่ะเราไม่เอาสิ่งนั้นมากรองอยู่ในจิตใจของเราแต่เราอยู่กับสิ่งพวกนั้นอย่างที่เราเข้าใจเขา เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเข้าใจธรรมชาติของเราเองเนี่ยค่ะแล้วเราก็อยู่กับมันได้เนี่ยค่ะคือค่ะก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่แบบเนี้ค่ะเองไปทานอาหารก็ทานไปเนี่ยทําอะไรก็ทําไปนะคะก็เป็นปกติค่งสาธุนะคะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อวานที่ฟังพระอาจารย์นะครับก็เริ่มก็ใช้กันรู้สึก รู้สึกอยู่ที่ลมอะครับลมที่ปลายจมูกครับแล้วก็รู้สึกไปทั่วๆตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าครับก็รู้สึกว่ารู้สึกมันเหมือนกับเริ่มเกือบๆจะมีปิติครับกับก็พยายามจุดอยู่อย่างนั้นนะ่ะตลอดกับทั้งวันนะครับผมก็มีหลงบ้างรู้บ้างอย่างเงี้ยฮะสลับกันไปอะครับครับขอบพระคุณครับ ขยายความเรื่องการรู้ลมนิดหนึ่งเนาะว่าตือลมเนี่ยก็เป็นก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอะเนาะเหมือนกับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แต่ลมเขาก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอันนี้ลมหายใจะนะมันก็มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอะเนาะแต่พูดถึงการรู้เนี่ยเออขยายความนิดหนึ่งว่าวิธีรู้หรือการรู้เนี่ยรู้รู้ยังไงขยายความนิดหนึ่ง รู้ลมใช่ไหมครับรู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกอะครับก็รู้แบบสบายๆรู้รู้ความนานนะครับรู้ตอนนี้ผมรู้ความยาวอยู่อะครับรู้ความยาวรู้รู้อยู่ที่จุดจุดที่ลมอะฮะแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วๆในขณะเดียวผมก็แผ่ขยายไปรู้รู้ไปทั่วกายด้วยอะครับผมมันก็จะสลับไปสลับมาครับลองสังเกตนะว่าการรู้เนี่ย มันรู้ด้วยเพราะเราเป็นผู้ตั้งใจรู้เจตนารู้หรือว่ามันรู้ของมันเองตรงนีมน้มันสลับมันมีทั้งเจตนารู้แล้วก็รู้ด้วยตัวของมันเองนะครับอาจจะอ๋อคือรู้ได้นะบางทีเหมือนกับว่าถ้าเจตนาก็ก็รู้ได้ว่าเออมีเจตนามีจงใจแล้วก็ที่มันรู้เองก็ จะเห็นความแตกต่างระหว่างเจตนากับการรู้เองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนใช่ไหมเห็นพ่อเห็นได้ครับพระอาจารย์ทีเนี้ยตัวเจตนาเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีตัวเรานะมีเราเป็นผู้ผู้ตั้งใจรู้ผู้เจตนารู้ซึ่งมันจะหนักมันยังมีน้ำหนักเพราะว่าเป็นการคือมีเราเป็นผู้ผู้ตั้งรู้คือ ตั้งใจจะรู้อันนี้ถ้าเราทำนานๆเนี่ยมันจะจะหนักแล้วก็จะจะเหนื่อยแต่ถ้ารู้โดยไม่เจตนาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้อย่างคือรู้เพราะมีสติไปรู้ลมเพราะงั้นตรงนี้ก็แยกที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าการเจตนาเนี่ยมันยังเป็นทุกข์ผู้เจตนาเนี่ยเป็นทุกข์เองแต่ถ้ามันรู้เองเนี่ยมันจะเบาวิวร้าเจตนา อันนั้นนะคือเป็นการรู้จริงรู้เองจริงๆเลยรู้ด้วยไม่ใช่เรารู้แต่ถ้าเจตนาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวเราเราเป็นผู้กําหนดรู้ตรง น, นี้เนาะเพราะฉะนั้นลมเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์อย่างหนึ่งเพื่อให้ให้เกิดการรู้แต่การรู้ถ้ารู้ถูกต้องอันนี้หมายถึง ก, กรณีรู้ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติแบบ 100% ซก็คือต้องไม่มีเจตนา แต่ถ้ารู้ที่ยังรู้ไม่ถูกต้องก็คื อ, อยังจงใจยังเจตนาแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้เสร็จไม่กล้าเจตนาไม่กล้าทําก็ให้ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้จักแล้วว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาไอแบบนู้นไม่เจตนาแล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาถึงขั้นที่ว่ามีอีกรู้หนึ่งที่มันอยู่เหนืออยู่เหนือคือ อยู่เหนือการเจตนาหมายความว่าพอเจตนาก็มีธรรมชาติรู้มันรู้ว่าอ๋อเราเจตนาใช่และพอไม่เจตนาก็จะมีธรรมชาติรู้หนึ่งก็รู้ว่าไม่เจตนาไอรู้เนี่ยที่เป็นรู้ปัจจุบันเนี่ยว่าเจตนาก็รู้ไม่เจตนาก็รู้รู้นั่นแหละเป็นรู้ที่ที่พ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นรู้ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เรียกว่ารู้อย่างพุท ธ, ธะเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะต่อไปก็จะเข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์ได้เลยว่าพ้นทุก์เนี่ยคือต้องรู้อย่างพุท ธ, ธะคือรู้ที่รู้ตัวเราว่าเราเจตนาแล้วก็รู้ถึงสิ่งที่เกิดเองโดยไม่เจตนาไม่รู้พอพอเข้าใจที่หลวงพ่อคุยแบบนี้ไหมครับพอเข้าใจครับหลวงพ่อครับเมื่อ เมื่อวานตอนที่ฟังหลวงพ่อแล้วตอนที่มันเริ่มเข้าใจอะครับมันมันมันมันมันตื้นตันนะครับมันมันมันมีปิติอะครับคือถ้ารู้จากเจตนาที่ที่หลวงพ่อบอกครับมันจะหนักแล้วมันจะเกิดเครียดอะครับแต่ถ้ารู้โดยไม่เจตนามันจะเบาสบายอะครับสาธุครับคนอื่นๆก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งหมดอะพอพอคิดจะปฏิบัติเนี่ยมันก็ใส่เจตนาหมดแล้วแหละอืม แต่ใหไม่เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าเจตนาเพราะว่ามันเอาเจตนาเป็นเครื่องนําทางไปก่อนอืมแต่เมื่อมีคนมาชี้บอกก็จะเข้าใจได้ว่าอ้ามีตัวปฏิบัติแล้วมีเราปฏิบัติแล้วมีตัวผู้เจตนาแล้วแต่ขณะที่รู้ว่ามีเจตนานั่นแหละไอรู้ไอรู้นั้นแหละเป็นรู้ที่ไม่เจตนาเป็นรู้ที่หลุดพ้นไปจากเจตนาเนะ แต่ว่าภาคการปฏิบัติก็ทําแบบแบบอย่างเดิมมาแหละแต่ว่ามันมันเข้าใจแล้วมันแยกเป็นแล้วว่าอะไรเจตนาอะไรไม่เจตนาแล้วลองสังเกตดีถ้าเจตนานานๆเนี่ยมันจะหนักอึ้งเลยมันจะหนักกันหนักเนี่ทีนี้ถ้ารู้ว่ามันผิดหนทางนี้ผิดก็ก็เลิกกระทํำเสียเลิกคือไม่ไม่เจตนาแบบทําให้ต้องเกิดทุกข์เกิดโทษแล้วอันนี้มันเป็นทางสุดโต่งก็ได้อรวมถึงอันนี้เมื่อกี้ที่คุยเนอะเรื่องการรู้ลมเนอะ การรู้อย่างอื่นก็เหมือนกันน่ยมันจะตั้งรู้จะมีเจตนารู้จงใจรู้พยายามจะรู้พวกนี้หนักทั้งหมดเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหนักก็เพื่อให้รู้ว่ามันหนักเออต่อไปก็จะได้เข็ดลาบว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหนทางที่ผิดแล้วก็จะได้เลิกเจตนาเสียแล้วก็อยู่อย่างปกติธรรมดาธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ก็จะรู้เองได้อย่างไม่เจตนา ก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะอันนี้ที่หลวงพ่อพูดก็เหมือนกับว่าพูดให้ฟังแต่การสังเกตจริงๆมันก็ต้องเป็นปัจจตังเป็นประสบการณ์ซึ่งค่อยๆพินาณาดูอะไรต่างๆเหมือนหัดขี่จักรยานนั่นนะขี่จักรยานเนี่ยล้มบ้างได้บ้างล้มบ้างได้บ้างแต่ต่อไปผู้หัดขับมันก็จะรู้เองว่าเออยังไงยังไงที่จะไม่ล้มหรือล้มแล้วทายัางไงไม่ให้เจ็บอะไรเี้ยก็เป็นประสบการณ์ไป เนาะฟังเนาะธรรมะเนี่ยยังอาศัยการฟังเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเนี่ยปัญญาที่จะไปปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมาจากไหนก็ต้องอาศัยฟังนะฟังที่ฟังกับใครก็ได้ที่เราดูแล้วว่าคือฟังแล้วก็พิจารณาด้วย เ, เนาะไม่ไม่ใช่ว่าเชื่อทุกอย่างอ่าเช่นเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออตรงนี้มันมันเก็ตมากมันโดนใจนะก็เอาสิ่งที่โดนใจเนี่ยไปไปลองฝึกไปลอง นั่นดูนะถ้ามันเห็นทางว่าเอ้ยฝึกแบบนี้มันพ้นทุกข์ได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงคือถ้าถ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมอะไรคือทุกข์อะไรที่มันไม่ทุกข์เลยเนี่ยมันเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างเนี้ยก็เอาตรงนั้นเนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องดําเนินไปอ่าแต่ถ้าบางอย่างเราฟังแล้วมันไม่เข้าใจหรือว่าฟังแล้วไปปฏิบัติลองแล้วปรากฏว่ามันหนักกว่าเก่าอันนั้นก็ค่อยๆไปพิจารณาดู นะแต่ที่สำคัญก็คืออย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ต้องไปไปถ้าหลวงพ่อกําเขียนชันบอกว่าต้องไปทำนะไปทำคาว่าทำเนี่ยก็คือก็คืออย่าฟังแล้วทิ้งอะ่ะคือฟังแล้วก็คือไปไปเรียนรู้ไปสังเกตไปลองไปทดลองนะแล้วก็จะเข้าใจได้เองในะครทำก็คนนั้นก็จะเห็นเองเข้าใจเองนะแล้วก็มันก็เดี๋ยวค่อย เกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะเข้าใจในที่สุดแล้วก็ตัวอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างไปแบบเข้าๆอะ่ะนะเป็นแค่ตัวอย่างก็ลองไปฝึกดูโดยเฉพาะการรู้ตัวเราเนี่ยกลับมารู้ตัวเรานี่แหละคือทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเรารู้สิ่งที่อยู่นอกตัวต่อให้รู้มากมายขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ทางเพื่อออกจากทุกข์แต่มันเป็นทางแบบก็เรียกว่าเป็นโลกโลกเป็นความรู้แบบโลก แต่รู้พ้นทุกต้องกลับมารู้ตัวเรารู้ตัวเองแล้วรู้นี่แหละสภาพที่เป็นธรรมะรู้ที่เป็นบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์รู้แล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปท า, านจึงเป็นรู้ที่หลุดพ้น mm. หลวงพว่อก็กองฝากไว้เท่านี้สําหรับวันนี้